บุก <Book> <31. S 3> ทูสามสิบเอ็ดทีเวียเอที่เวียเอที่ร้านอาหารสามเนืเรสตอรั น, รนรต์แร์นรืนรสตอ ร, รันต์รดิฉันอยากได้ออเดอร์ฟค่ะ ด้ว <PTSD> <esz> ัวอัสตดิฉันอยากได้สลัดค่ะด้วสวดิฉันอยากได้ซุปค่ะด้วยเ u p ดิฉันอยากได้ของหวานค่ะ สองเงยอันเป i ลซีร์ i องเงยอันดิฉันอยากได้อครีมใส่วิปครีมค่ะองเงยอไอเดิฉันอยากได้ผลไม้หรือชีสค่ะต อเซดิาฟเราต้องการทานอาหารเชา้าเนื้อัวม์ทฮัมมัเจสเนื้อัม์ทฮัมมเจสเราต้องการทานอาหารกลางวันเนื้อัวม e ท่าฮัมเรคเนื้อัมตฮัมเร เราต้องการทานอาหารเย็นเนทวัมเตหัมดกักเนทวัมเตหัมดกักอาหารเช้ารับเป็นอะไรดีคะชวาร์ต وني ิเปอรมิเจ ส, นนเจสขนมปังกับแยมและน้ำผึ้งไหมคะ Simite t ว v o ลาเม e m ร์มาลาตเด e ิอัลต์ซิมิเตทวอกลาเมมาร์มาลาตเดมิอัลต์ขนมปังปิ้งกับไส้กรอกและชีสไหมคะบุกต่อเซก h e d ม a ลามเดติอาฟทไข่ลวกไหมคะ นิวเวสต่ซีร์นิเวสตซีร์ไคดาวเมค้าิเวสตสกุชอรซูนิเวสตสกุชอรซูออเมร์ดเมค้าิออมเลติออมเลตขอโยเกิร์ตอีกหนึ่งถ้วยค่ะ ยลลุดเมเอเวเนียนกสขอเกลือและพริกไทยด้วยค่ะยลุดเมคริปอระพิเปอร์ขอน้ำเปล่าอีกหนึ่งแก้วค่ะยลุอตอมเอเวเนกตอุย